ธรรมบทแปลเรื่องที่180ภาคที่6เรื่องอตุละอุบาสกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบรารมอุบาสกชื่ออะตุละตรัสพระธรรมเทศนานิว่าโปราณะเมตังอัตุละเนตังอั จ, จตนามิวะ นินทันติตุนหิมาสีนังนินทันติพาหุภาณินังเป็นต้นแปลว่าอตุละการนินทาและสรรเสริญนั้นเป็นของเก่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้เป็นต้นตอนอาตุละโกรธพระเรวะตะเพราะท่านไม่พูดด้วยความพิสดารว่าอตุละนั้น เป็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถีมีอุบาสกเป็นบริวาลหร้อยคนในวันหนึ่งพาพวกอุบาสกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรมใกล้จะฟังธรรมในสำนักของพระเรวตะเตระไหว้พระเรวตะเตระแล้วก็นั่งก็ท่านเรวตะนั้น เป็นผู้ยินดีในการเล็กเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวอะไรอะไรกับอุบาสกนั้นอะตุละโกรธว่าพระเถระนี้ไม่กล่าวอะไรเลยดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นไปยังสำนักของพระสารีบุตรเถระยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรถามว่า พวกท่านมาด้วยต้องการอะไรอตุละจึงตอบว่าท่านกรับผมพาอุบาสกเหล่านี้เข้าไปหาพระเรวตตเตระเพื่อต้องการฟังธรรมพระเรวตะเทระไม่กล่าวอะไรอะไรกับผมเลยผมนั้นโกรธท่านจึงมาในที่นี้ขอท่านพระสารีบุตรจงแสดงธรรมแก่กระผมเถิดอั่งนี้แล้วพระสารีบุตรเตระจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงนั่งเถิดอุบาสกทั้งหลายท่านพระสารีบุตรได้แสดงอภิธรรมกถาอย่างละเอียดมากมายตอนอตุลโกรธคนผู้พูดมากอุบาสกอตุลันั้นก็โกรธว่าชื่อว่าอภิธรรมกถาละเอียดยิ่งนักสุขุมยิ่งนักพระสารีบุตรเถระ แสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายพวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้นั่นนี่แล้วก็ได้พาบริษัทของตนไปยังสำนักพระอนุเทระแม้เมื่อท่านพระอนุเทระถามบ่ามีอะไรหรืออุบาสกอตุลาจึงได้กล่าวว่าท่านก็รับพวกผมเข้าไปหาพระเรวตาเตระเพื่อต้องการฟังธรรม ไม่ได้แม้แต่การสนทนาและการปราศัยในสำนักของท่านเลยโกโรธแล้วจึงมายังสำนักของพระสารีบุตรเทระแม้พระเทระนั้นก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียวละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักมากมายแก่พวกผมพวกผมโกโรธแล้วต่อท่านพระสารีบุตรด้วยความคิดป้าพวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้แล้วจึงได้มาที่นี้ ขอท่านพระอนุ์จงแสดงธรรมกถาแก่พวกผมเถิดนั่นี้แล้วพระอนุ์เตระจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงนั่งฟังธรรมเถิดพระเตระได้แสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยน้อยทำให้เข้าใจง่ายตอนอตุละโกรธคนพูดพูดน้อยพวกอุบาสกนั้นก็โกรธแล้ว แม้ต่อพระอนุตเตระนั้นเราก็ได้ไปยังสำนักพระาศาสดาถาวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาจึงได้ตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมาที่นี่ทาไมกันพวกอุบาสกเพื่อต้องการฟังธรรมพระชก้าพระาศาสดาก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือพวกอุบาสก แต่พระองค์ผู้เจริญในเบื้องต้นพวกข้าพระองค์ได้เข้าไปหาพระเรวาตาตติระท่านไม่กล่าวอะไรอะไรกับพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์โกรธท่านแล้วจึงไปหาพระสารีบุตรเถระท่านพระสารีบุตรนั้นแสดงอภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมายพวกข้าพระองค์กำหนดอภิธรรมนั้นไม่ได้จึงโกรธแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระอนุนติระท่านพระอนุน แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนักพวกข้าพระองค์โกโรธแล้วแม้ต่อท่านพระอนุนจึงได้มาในที่นี้ตอนการนินทาสรรเสริญเป็นของเก่าพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเก่าแล้วจึงได้ตรัสว่าอตุละข้อนั้นเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียวชนทั้งหลายติเตียน ทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยตีเดียวด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีเลยแม้พระราชาทั้งหลายคนบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรรเสริญแผ่นดินใหญ่ก็ดีพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ดีถ้ามีอากาศเป็นต้นก็ดี คนบางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทสี 4. บางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญก็การนินทาและสรรเสริญของพวกอันดพันไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียนจึงชื่อว่าเป็นอันติเตียน ผู้อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วชื่อว่าเป็นอันสันเสริญดังนี้และได้ทรงภาสิทธิพระคถาเหล่านี้ว่าโปราณเมตังอตุละเนตังอัจตะนามิวะนินทันติตุนหิมาสีนังนินทันติพระหูพาณินังมิตะพาณิมปินินทันตินธนะิโลเก อนินทิโตนะจาหุนะจะพระวิสตินะเจตระหิวิชติเอกันตังนิทิโตโปโสเอกันตังวาปะสังสิโตยันเจวิญโยปสังสันติอนุวิจจะสุเวสุเวอจินทะวุตติงเมทาวิงปัญญาสีละ สมาหิตังเนขังชมโพทะนัตเสวะโกตังนินทิตุมรหาติเทวาปินังปะสังสันติปรมุนาปิปะสังสิโตแปลว่าอตุระการนินทาและสรรเสริญ น, นั่นเป็นของเก่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้จนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้าง ย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าอันเขาสันเสริญโดยส่วนเดียวไม่ได้มีแล้วจะไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้หากว่าบินยูชนใครกรวนแล้วทุกทกวันสันเสริญผู้ใด ซึ่งมีความประพฤติไม่กาจายมีปัญญาเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมกวนเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดังแท่งทองจมพูนุตแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วดังนี้ตอนแกะอัดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโปราณะเมตังแปลว่านั่นเป็นของเก่า คือการนินทาและสัรเสรนั่นเองเป็นของเก่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกอุบาสกนั้นว่าอาตุละคำว่าเนตังอจชะตะนามิวะเนตังอจชะตะนามิวะแปลว่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้หมายความว่าการนินทาหรือสรรเสร น, นี้เป็นเหมือนมีในวันนี้ คือเกิดขึ้นเมื่อตะกี้ก็หาไม่ได้อธิบายความว่าจริงอยู่คนทั้งหลายย่อมนินทาคนนิ่งว่าทาไมคนนี้จึงนั่งนิ่งเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรอะไรสิเลยดังนี้บ้างย่อมนินทาคนพูดมากว่าทาไมคนนี้จึงประพฤติเสียงกะตากกะตะเหมือนกับใบตานถูกลมพัด คำพูดของผู้นี้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้บางย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณว่าทำไมคนนี้จึงสำคัญคำพูดของตนเหมือนทองคาและเงินพูดคำสองคำแล้วก็นิ่งเสียดังนี้บางคนชื่อว่าไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนี้แม้โดยประการทั้งปวงด้วยประกรันอย่างนั้นส่วนคำว่านะจ้าหุ แปลว่าไม่ได้มีแล้วหมายความว่าไม่ได้มีแล้วในอดีต ท, ทั้งจะไม่มีในอนาคตคำว่ายันเจวินยูแปลว่าหากวินยูชนผู้ใดหมายความว่าการนินทาหรือสรรเสริญของพวกชนพานไม่เป็นประมาณแต่บัณฑิตทั้งหลายไกรโกรนแล้วคือทราบเหตุแห่งนินทา หรือเหตุแห่งสรรเสริญแล้วทุกๆกวันย่อมสรรเสริญบุคคลใดผู้ชื่อว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสิขาอันไม่ขาดสายหรือด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตไม่ขาดสายผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมชื่อว่า ผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระผู้เป็นดุดแท่งทองจุมพูนุตอันเว้นจากโทษแห่งทองคำอันควรเพื่อจะบุและจะขัดคำว่าเทวาปิแปลว่าแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นได้แก่เทพ ย, ายดาก็ดี มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีย่อมลุกขึ้นชมเชยสรรเสริญซึ่งภิกษุนั้นคำว่าพรหมูนาบิแปลว่าถึงพรหมหมายความว่าไม่ใช่เทพ ย, ยดาและมนุษย์อย่างเดียวย่อมสรรเสริญถึงมหาพรหมในหมื่นจั ก, กรบาลก็สรรเสริญบุคคล น, นั่นเหมือนกันในการจบเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้งลาร้อย ดำรงอยู่แล้วในโซดาปฏิผลหนังนี้แหละเรื่องอตุละอุบาสก